คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาหัวข้อหลักที่สองไม่มองข้ามเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องตนเองพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้แก้ความเสื่อมทางศิลธรรมโดยไม่มองข้ามปัญหาเศรษฐกิจสอนให้แก้ความชั่วด้วยความดีและสอนให้แก้ที่ตัวเราเองก่อนโดยไม่คอยเกี่ยงให้คนทั้งโลกดีหมดแล้วเราจึงจะดีเป็นคนสุดท้าย แม้ในการสอนที่มีเมตตาจิตก็ให้หัดแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนเพื่อจะได้เป็นพยานว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นก็มีความรักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านแยกพิจารณาหัวข้อเรื่องนี้เป็นประเด็นประเด็นไปจะขอแยกเนื้อความในบทนี้เป็นสประเด็นคือ 1. นึ่งเรื่องคำสอนที่ไม่มองข้ามปัญหาเศรษฐกิจ 2. เรื่องแก้ความชั่วด้วยความดี 3. เรื่องไม่มองข้ามตนเองในการแก้ปัญหาศีลธรรมท่านผู้อ่านอาจรู้สึกว่าในบทนี้ทำไมจึงต้องมีประเด็นหลายประเด็นนักน่าจะบทละประเด็นก็จะสะดวกแก่การจำและพิจารณาขอเรียนว่าบทนี้ทั้งหมดอาจจำกัดความให้เหลือประเด็นเดียวก็ได้ คือพระพุทธศาสนามีคุณลักษณะพิเศษในการส่งเสริมศิลธรรมไว้อย่างดียิ่งถ้าพิจารณาเพียงประเด็นเดียวนี้ข้อที่แยกไว้ข้างต้นก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นปลีกย่อยในประเด็นใหญ่อันที่จริงผู้เขียนไม่ประสงค์จะแสดงคุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนาให้มากมายหลายสิบข้อจนยากแก่การกาหนดจดจาอันไหนพอจะรวมเข้าประเภทเดียวกันได้ ภายใต้หัวข้อใหญ่ก็พยายามรวมไว้เป็นข้อเดียวกันในหนังสือเล่มนี้ที่ตั้งไว้12บสองหัวข้อก็คิดว่าย่นย่อเหลือเกินแต่แม้เช่นนั้นถ้าท่านผู้อ่านจะจำได้เพียงไม่กี่ข้อก็เป็นที่พอใจแล้วข้อสำคัญเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาแล้วอย่าให้ถึงกับอธิบายอะไรในเรื่องคุณงามความดีแห่งศาสนานี้ไม่ได้เอาเสเลย ประเด็นที่หนึ่งเรื่องคำสอนที่ไม่มองข้ามปัญหาเศรษฐกิจปัญหาที่สำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ข้อหนึ่งในข้อที่สำคัญทั้งหลายก็คือปัญหาเศรษฐกิจที่ว่าทำอย่างไรจะมีที่อยู่มีอาหารรับประทานหรือมีของกลางคือเงินไว้จับจ่ายใช้สอยบำบัดความต้องการต่างๆแต่ท่านอ่านตำราเศรษฐกิจของฝรั่งแ ล, ลายเล่ม จะรู้สึกว่าต่างยืนยันตรงกันอยู่ข้อหนึ่งก็คือจุดประสงค์ของเศรษฐกิจนั้นได้แก่การพยายามบำบัดหรือสนองความต้องการของมนุษย์คือ to try to satisfy human wants พระพุทธศาสนาได้เสนอหลักทางศีลธรรมที่เนื่องด้วยหลักเศรษฐกิจนี้เป็นสองทางคือขั้นต่ำหลักสนอง to satisfy กับชั้นสูงหลักบำบัด to subdue หลักสนองมาถึงการสอนให้ตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้ในทางเศรษฐกิจพยายามยกฐานะของตนให้สูงขึ้นด้วยความขยันหมั่นเพียรและวิธีการอื่นๆส่วนหลักบำบัดนั้นมาถึงการสอนให้รู้จักบรรเทาความต้องการชนิดรุนแรงที่กลายเป็นความทยานอยากอันก่อความทุกข์ให้คือถ้าจะมัวแต่หาทางสนองความอยากอยู่อย่างเดียวอย่างไรอย่างไรก็ไม่รู้จักพอ ท่านจึงเปรียบความอยากเสมอด้วยไฟไม่รู้จักอิ่มด้วยเชื้อหรือแม่น้ำหรือทะเลแม้เราจะเทน้ำลงไปสักเท่าไหร่ก็ตามเพราะฉะนั้นจึงต้องมีหลักบำบัดหรือบรรเทาความทะยานอยากให้น้อยลงโดยลำดับอันเป็นทางแก้ทุกได้